สัมผัสสยองคืนวันงานศพยายสวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนวันนี้แป้งมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องราวของแฟนแป้งเองแฟนแป้งชื่อพัดเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แป้งรู้มาว่า คนบุรีรัมส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องการเล่นของกันมากจึงถามผัดเกี่ยวกับเรื่องผีที่บ้านของเขาเพราะคิดว่าแถวบ้านผัดคงจะมีผีเยอะแน่ๆพัดเล่าให้แป้งฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวันงานศพของยายซึ่งคนบ้านนอกส่วนใหญ่มักจะจัดงานศพที่บ้านและศพของยายผัดก็จัดที่บ้านเช่นกันคืนนั้น หลังจากที่พระสวดอะไรเสร็จแล้วผัดก็ออกไปที่ศาลาไกลๆบานนั่งคุยเล่นกันอยู่กับรุนพีและเพื่อนๆ อ, อีกประมาณหกคนสักพักรุนพีคนหนึ่งก็ขอตัวกลับก่อนแล้วเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปเหลือเพียงแต่ผัดกับพีคางๆบานจึงพากันเดินกลับในระหว่างทางที่กำลังเดินกลับกันอยู่นั้น จู่ๆก็มีคนในกลุ่มพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนกอะไรวะตัวใหญ่ชะมัดพี่ในกลุ่มก็ตบหัวคนที่พูดโอ้ยล้วบอกว่ามึงจะพูดทำไมเขาไม่ให้ทักมันอาจจะเป็นจารากาก็ได้คนที่มองเห็นนกตัวนั้นก็มีเพียงแต่พี่คนที่ทักกับคนที่ตบหัวเท่านั้นทำให้คนอื่นที่เหลือ ไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่ก็มีแอบเก็บมาคิดอยู่บ้างเหมือนกันจากนั้นพวกเราก็พากันเดินต่อไปแต่ก่อนที่จะถึงบ้านก็ต้องผ่านวัดป่าวัดนี้ในอดีตเคยเป็นป่าช้ามาก่อนและมีเสียงเล่าลือเรื่องวิญญาณอยู่บ้างแต่ด้วยความที่พวกเรามากันเยอะและก็ยังไม่ดึกมากนักก็เลยเดินไปโดยไม่ได้คิดอะไร มองนั้นนี้ไปเรื่อยเปื่อยเส้นทางบริเวณนั้นค่อนข้างมืดอยู่เหมือนกันพัดเดินอยู่ด้านหน้าคู่กับพี่คนหนึ่งแล้วสายตาของพัดก็มองไปที่ต้นตาลที่อยู่บริเวณข้างทางซึ่งตรงนั้นจะมีต้นตาลอยู่สองตนพัดเห็นเงารูปร่างลักษณะเหมือนคนกําลังเดิอนอ้อมไปอ้อมมาที่ใต้ต้นตา น, นั้น ด้วยความแปลกใจและคิดว่าคนอื่นๆคงจะเห็นด้วยเหมือนกันในขณะที่พัดกำลังจะกางมือออกหวังที่จะกันทุกๆคนไม่ให้วิ่งแต่ก็ไม่ทันเสียแลว้วทุกคนวิ่งไปพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่มีใครเอ่ยอะไรสักคำผัดจึงวิ่งตามพวกเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปเพราะทุกคนวิ่งไปได้สักพักก็หยุด แล้วตั้งสติพูดคุยกันว่าเห็นอะไรกันบ้างทำไมถึงวิ่งพร้อมกันเห็นเหมือนกันหรือเปล่าดิความสงสัยจึงชวนกันค่อยๆเดินกลับไปดูแล้วก็เห็นยายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ใต้ต้นตานจึงเอ่ยถามไปว่ายายมาทำอะไรตรงนี้ยายคนนั้นตอบว่ามาปลดทุกข์แล้วแกก็เดินไปเลย พอทุกคนเห็นยายไปก็เดินเข้าไปสารวจที่ใต้ต้นตาล น, นั้นว่าแกมาปลดทุกข์จริงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าพอพัดนาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในบ้านฟังก็มีคนบอกว่ายายคนนี้แกเป็นปอเพราะมีคนแนบเห็นแกชอบกินเลือดหมูสดๆแล้วเวลาที่บ้านไหนมีคนป่วย แกก็มักจะไปที่บ้านหลังนั้นแต่ก็จะโดนไล่ออกมาทุกครั้งเพราะคิดว่าปอบจะมากินร่างของคนป่วยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่แฟนของคุณแป้งได้พบเจอมาส่วนคําว่าจราบน่าจะเป็นคําที่ใช้ทางบุรีรัมซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าถ้าใครที่อยู่แถวนั้นรู้ช่วยบอกทีนะครับ เแอดมินก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่คุณแป้งก็ได้บอกว่าเจราบคือของไม่ดีที่มีคนเลี้ยงไว้และจะเอาไปปล่อยตรงที่เปลี่ยวๆเวจร้าบแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้เป็นหมูเป็นหมาเป็นผีหรือแปลงเป็นคนรู้จักก็ได้ซึ่งบ้านแฟนของคุณแป้งคุณแป้งบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมาก รอบรอบบ้านเป็นทุ่งนาตอนกลางคืนจะไม่มีไฟในหมู่บ้านจนถึงถนนนอกเพราะที่นี่เป็นบ้านที่ห่างจากตัวเมืองมากถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกภาพนังเรื่องบ้านผีปอบดูมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยและที่นี่ก็มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงผีปอบผีแมมาย และวิญญาณต่างๆนานาซึ่งคนในเมืองอาจจะไม่เชื่อสักเท่าไหร่เวลากลางคืนคุณแม่ของผัดก็จะไม่อยากให้ไปไหนไกลโดยเฉพาะคุณแป้งเพราะกลัวว่าจะไปเจอของที่มีคนเอามาปล่อยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็ต้องเชื่อคุณแม่เพราะที่นั่นมันมืดและเปรี้ยวจริงๆ ใครอยู่ในบ้านสวัสดีแอตมินและเพื่อนเพื่อนชาวสมภัสสยองทุกคนหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเราได้นำเสนอเรื่องของคุณแม่ไปแล้วในเรื่องสั้นสยองขวัญ24ครั้งนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น มันเป็นผีหรือว่าอะไรกันแน่มันยังคงติดค้างอยู่ในความทรงจาของเราตลอดมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนมันเกิดที่บ้านของเราเองตอนนั้นเรายังเรียนอยู่มตน้นก่อนอื่นเราขอบอกรายละเอียดของบ้านเราก่อนว่าบ้านเราเป็นบ้านมือสองซึ่งได้มาตอนที่เกิดปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจ ในปีพศ2544บ้านหลังนี้ครอบครัวเราได้มาในราคาที่ถูกมากจนไม่น่าเชื่อแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมมันถึงถูกอย่างนั้นที่เราพอจะรู้ก็มีเพียงแต่ทีน่นี่เคยเป็นบ่อนคาสิโนขนาดย่อมๆ ม, มาก่อนและเป็นบ่อนเถื่อนที่เจ้าของบ้านเก่าได้แอบเปิดให้คนมาเล่น ในปัจจุบันครอบครัวของเราก็ปรับปรุงบ้านหลังนี้ให้มีสภาพที่ดีขึ้นน่าอยู่ไม่หลงเหลือร่องรอยของบอคาสิโนเดิมอีกเลยบ้านหลังนี้มีอยู่สองชั้นซึ่งทางเดินจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองจะมีที่พักบันไดยอยู่แล้วบันไดก็จะเลี้ยวย้อนกลับไปเพื่อขึ้นไปยังชั้นบนจุดที่เกิดเหตุ ก็คือที่พักบันไดนั่นแหละหากเราเดินจากชั้นล่างขึ้นมาตรงที่ภากบันไดที่ตรงนี้จะมีประตูห้องอยู่และถ้าเดินลงบันไดาจากชั้นบนมาก็จะเจอห้องนี้อยู่ตรงหน้าเหมือนกันเราเรียกห้องนี้ว่าห้องดนตรีเพราะเมื่อก่อนเคยเก็บไวโอลินเอาไว้หลังจากนั้นเราก็ขนของเข้ามาอยู่มีทีวีเครื่องเล่นเกม เอาไว้เล่นยามว่างแต่เราก็ไม่ได้นอนที่ห้องนั้นหรอกจนวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเราก็อยู่ห้องนั้นแหละตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ2องถึงสามทุมขณะที่เรากําลังเล่นเกมอยู่ในห้องเป็นเกมคอนโซลเพลย์สเตชั่เอามาต่อกับทีวีซึ่งทีวีจะหันหลังเข้าหากําแพงทางด้านที่มีประตูเข้าห้อง คุณแม่ของเราก็อยู่ชั้น ล, ล่างกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ส่วนคุณพ่อก็ทำงานดึกยังไม่กลับบ้านในขณะที่เรากำลังเล่นเกมอยู่นั้นอยู่ๆประตูห้องเรามันก็สัน่นแล้วก็มีเสียงเคาะประตูอย่างแรงถึงสามครั้งมันดังเป็นจังหวะแต่เราก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ ยังคงเล่นเกมต่อไปไม่นานนักเสียงเคาะมันก็ดังขึ้นมาอีกราวกับจงใจให้เราลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ได้จากที่เรากําลังสนุกกับการเล่นเกมก็เริ่มรู้สึกประสาทหลอนเพราะประตูมันเริ่มสั่นมากขึ้นทุกทีเราหยุดเล่นเกมนั่งนิง่งเงียบพร้อมๆกับมือของเรา ที่จับจอยเกมอยู่ก็ค่อยๆต่ำลงมาจนวางแนบ ก, กับเพินแล้วเราก็ค่อยๆหันไปมองที่ประตูนั้นทันใดนั้นเองเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นมาอีกแล้วก็มีเสียงหมุนลูกบิดประตูหมุนแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกับพยายามจะเปิดเข้ามาให้ได้ ทางทั้งที่เราก็ไม่ได้ล็อกประตูและถ้าหากเป็นคุณแม่มาแม่ก็จะเรียกเราแล้วเปิดเข้ามาเลยแต่นี่มันไม่ใช่แล้วตอนนั้นเรานั่งเกรงตัวสั่นหัวใจเต้นแรงปวดชีก็ปวดจินตนาการว่าอะไรยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องเราคิดว่าถ้ายังรอต่อไปแบบนี้เราต้องฉี่ราดแน่แน จึงตัดสินใจแต่โกนถามแม่ออกไปเสียงดังว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะคุณแม่สอนเรามาไม่ให้ทักเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแต่แล้วคำตอบที่ได้จากแม่ก็ทำให้เราถึงกับขนลุกเพราะเสียงแม่นั้นดังมาแต่ไกลถามเราว่ามีอะไรล่ะลูกเราเริ่มใจคอไม่ดีแล้วถ้ายังอยู่ในห้องนี้ต่อไป ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดีจึงรีบปิดเกมยืนรอที่หน้าประตูอยู่ภาคหนึ่งเมื่อเราเห็นว่าเสียงที่ประตูหน้าห้องเงียบไปได้สักพักเราจึงตัดสินใจเปิดออกไปอย่างรวดเร็วก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ตรงหน้าห้องเลยเราตกใจกลัวมากรีบวิ่งไปหาแม่แล้วก็อยู่กับแม่ตรงนั้นเพื่อความมุ่นใจ เช้าวันถัดมาเราก็เล่าเรื่องที่เราเจอให้คุณแม่ฟังสีหน้าของท่านดูเรียบเฉยไม่มีอาการแปลกใจแต่อย่างใดเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งปกติหรือท่านจะรู้อะไรบางอย่างแต่ไม่บอกเราเพราะไม่อยากให้เรากลัวปัจจุบันนี้เราก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่เราก็ไม่เจอเสียงเคาะประตูนั้นแล้ว เพราะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นห้องตรงที่พักบันไดเราก็ไม่กลับไปใช้อีกเลย เ, เด็กปัม๊มสวัสดีครับผมชื่อเซนวันนี้มีประสบการณ์ที่ผมได้พบเจออยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รับหวังเรื่องนี้มันเกิดขึ้น ตอนที่ผมอายุประมาณ19ถึง20ปีตอนนั้นผมได้ไปทำงานที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังโดยทำงานที่ปั๊มน้มันแห่งหนึ่งและได้อยู่กา ก, ากลางคืนซึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อของปั๊มนะครับวันนั้นผมก็ทำงานไปตามปกติจนดึกและใกล้เวลาเลิกงานแล้วเป็นเวลาห้าทุ่มกว่า ในขณะที่ผมกำลังกวาดขยะที่ลานปั๊มอยู่นั้นก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเอ็งเป็นอะไรวะทำไมช่วงนี้เอ็งหน้าหมองจังไปทําบุญบ้างนะจะได้ดีขึ้นบ้างพอแกพูดจบผมก็ตอบรับไปครับพี่แล้วคืนนั้นเป็นคืนที่ผมจะต้องไปส่งอามเพื่อนร่วมงานของผมที่บ้าน เพราะตอนเย็นของวันเดียวกันนั้นเองก่อนที่ผมจะมาทำงานรถของอามมันก็เสียพอดีขามามันจึงเรียกให้ผมไปรับที่บ้านและแน่นอนว่าขากลับผมก็ต้องไปส่งมันด้วยเมื่อถึงเวลากลับบ้านผมก็ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์เดินทางจากปั๊มน้ำมันไปส่งอามที่บ้านซึ่งระยะทางจากปั๊มไปยังบ้านของอาม ก็ประมาณสิบห้ากิโลเมตรได้เส้นทางนั้นต้องผ่านวัดถึงสองวัดในขณะที่ผมขี่รถและอามนั่งซ้อนท้ายวิ่งผ่านวัดแรกผมก็รู้สึกใจวิววิวย่างบอกไม่ถูกสักพักก็ขี่ผ่านวัดแรกมาพอขี่มาได้อีกไม่กี่กิโลเมตรก็ต้องเข้าซอยแล้วผ่านวัดที่สองอีกวัดนี้ จะอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีและเป็นโค้งหักสอบซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในขณะที่ผมขี่มาทางด้านข้างวัดและกำลังเลี้ยวโค้งไปทางด้านหน้าของวัดก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวผมสั้นยืนอยู่ที่หน้าวัดมันทำให้ผมตกใจมากจนอูธทาหนกมาและเกือบควบคุมรถไม่อยู่เพื่อนผมที่ซ้อนมาด้วย มันก็ถามว่าเป็นอะไรแต่ผมก็เลี่ยงตอบไปว่าตกใจแมวที่วิ่งตัดหน้ารถไม่นานนากักผมก็ขี่มาจนถึงบ้านของอามตอนนั้นก็เป็นเวลาดึกมากแล้วผมคิดว่าถ้าหากผมกลับจะต้องผ่านเส้นทางนั้นอีกก็เลยตัดสินใจขอนอนที่บ้านของอามดีกว่าเพราะกลัวไม่กล้ากลับอาม มันก็ไม่ได้สงสัยอะไรคงคิดว่าดึกแล้วและบ้านของผมก็อยู่ห่างจากบ้านของมันเจ็ถึงกิโลเมตรมันก็เลยให้ผมนอนค้างได้พอรุ่งเชา้าผมก็ถามมันว่าเมื่อคืนนี้แกเห็นผู้หญิงตรงคงที่วัดไหมวะมันทำหน้าแปลกใจผมจึงพูดต่อไปว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมีแต่เครึ่งบน แต่ไม่มีครึ่งล่างแล้วเธอก็ยืนมองมากวักมือเรียกอีกด้วยแต่อามมันก็หาว่าผมพูดจาเลิะเธอเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่ผมเจอเมื่อคือนนี้มันทำให้ผมหลอนกลัวไม่กล้าที่จะไปทำงานที่ปั๊มน้ามันกลาง ก, กลางคืนอีกจึงขอย้ายไปอยู่ช่วงเช้าแต่ก็ไม่ว่าง ผมก็เลยขอลาออกจากงานในวันนั้นเลยไม่กี่วันหลังจากนั้นผมก็ได้ข่าวว่าอาร์มเพื่อนผมคนนั้นขี่รถแหกโค้งตายคาที่ตรงจุดเดียวกับที่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเลยจนผมได้ไปงานศพของอาร์มในช่วงเช้าด้วยความสงสัยจึงถามชาวบ้านแถวนั้นว่าที่นาวัดตรงที่เกิดเหตุเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรอเปล่า แล้วผมก็ได้รู้ว่าที่หมู่บ้านนี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถชนอย่างแรงจนตัวพับครึ่งแล้วเธอก็ตายหยุดตรงที่หน้าวัดนั้นแหละหากใครที่ดวงตกก็มักจะเห็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าผ่านเส้นทางนั้นกันหรอกผมกลับมาคิดดูว่า ที่มีรุ่นพี่กว่าหนึ่งทักผมที่ปั๊มว่าทำไมหน้าผมหมองจังมันอาจจะเป็นเพราะผมดวงตกก็ได้แต่ผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมคนที่ประสบอุบัติเหตุถึงเป็นอาม พัดสยง